40. อริยมรรคเกิดในรูปประภูมิและอรูปประภูมิวงเล็บเปิด 24. เมษายน2552อในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดอริยมรรคไม่เกิดในโลกธรรมดาจิตใจของเราที่อยู่ในโลกธรรมดานี้จิตชนิดนี้เรียกว่าจิตที่อยู่ในกามาวจรภูมิในเครื่องหมายคำพูดกามาวจรภูมิคือจิตที่วิ่งส่านไปหาอารมณ์ที่เป็นกามาคุณอารมณ์อะไรที่เป็นกามาคุณ ก็รูปทั้งหลายที่ตามองเห็นนี่เรียกว่ากามาคุณเสียงที่หูได้ยินกลิ่นที่จมูกได้รับรู้รสที่ลิ้นไปสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่ร่างกายไปรู้เข้าสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากามาคุณอารมณ์ทั้งสิ้นสังเกตไหมจิตเราวิ่งร่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาฉะนั้นจิตที่ซ่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเรียกว่าจิตที่โคจรร่อนเร่อยู่ในกามมาวาจะระภูม การมาวจระนี้ต่ำสุดคืออเวจีมหานรกสูงสุดขึ้นมาคือเทวดาชั้นที่หกชื่อปรนิมมิตวะสวัสดีในเทวดาชั้นที่หกแบ่งเป็นสองข่ายมีพวกขาวกับพวกดาเทวดาชั้นที่หกไม่ได้แต่งตัววูบวาบนะแต่งตัวแบบคนมีศีลมีธรรมเป็นพวกขาวกับพวกดาคือพวกเทพกับพวกมารพวกนี้อยู่ด้วยกันแต่แยกกกันต่างคนต่างมีหัวหน้าแต่มารมีอานาจมากกว่า อัศจรรย์นะเทวดาแพ้มารตลอดเลยไม่เคยชนะมารหรอกสนุกไหมเพราะฉะนั้นจิต ท, ที่โคจรในกาาวัจรภูมิตั้งแต่อเวจีจนถึงปรนิมมิตะวะสวัสดีรวมทั้งภูมิของมนุษย์มนุษย์เป็นภูมิที่อยู่กลางๆถ้าตัดเกรดก็ประเภทได้ซีพอผ่านเวลาที่เกิดอริยมรรจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิไม่เรียกก า, าวจรภูม จิตไม่ร่อนเร่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตรวมลงที่จิตนะจิตรวมลงที่จิตมีสองเกรดพวกหนึ่งรวมลงไปแล้วยังมีรูปเป็นอารมณ์อยู่อีกพวกหนึ่งรวมลงไปแล้วจับเอานามเป็นอารมณ์ที่เอารูปเป็นอารมณ์เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดรูปประภูมิที่เอานามเป็นอารมณ์เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดรูปประภูมิฉะนั้นภูมิมีสามภูมินะมีกามาวจารภูมิรูปประภูมิ อารมู ป, ปภูมิเวลาที่จะเกิดอริยมารนีจะเกิดในรู ป, ปรภูมิและอรู ป, ปรภูมิฟังแล้วชักยุ่งแล้วมีศัพท์เยอะไปรวมความก็คือไม่ใช่เกิดลืมตาแป๋วแป๋วอย่างนี้หรอกทั้งๆที่ลืมตาอยู่นี่จิตรวมเข้าอัปนาได้นะเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านเทเทศอยู่นี่จิตท่านรวมลงไปจิตรวมลงไปแล้วจิตก็ถอนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยท่านรีบนึกเลยว่าเมื่อกี้นี้ เทพถึงประโยคว่าอะไรแล้วท่านพูดต่อเลยญาติโยมก็นั่งฟังนะไม่มีใครสะดุสักนิดเลยนึกว่าท่านหยุดหายใจนั่นนะ่ะท่านตัดกิเลสไปแล้วฉะนั้นเราคอยดูเวลามันพอน ะ, จะเจริญสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเวลามันพอนะบางทีมันพอตรงไหนก็ได้เรานึกไม่ถึงหรอกเหมือนคนจะคลอดลูกใช่ไมไม่จาเป็นต้องคลอดในโรงพยาบาลคลอดในแท็กซี่ก็ได้มันถึงเวลาจะคลอดแล้วมันก็คลอด ถึงเวลาที่จะเกิดอริยมรรคมันก็เกิดแหละหน้าที่เราทำเหตุไปเรื่อยๆนะทำเหตุไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก่อนจะรู้อย่าเที่ยวสแสวงหาด้วยความอยากจะรู้ระหว่างรู้อย่าถลำลงไปเพ่งจ้องด้วยความอยากจะรู้ให้ชัดรู้แล้วอย่าเข้าไปแทรกแซงด้วยความอยากจะให้เป็นอย่างใจอยากโน่นอยากนี่ตลอดเวลารู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วสักว่ารู้ฝึกไปเรื่อย ถึงวันที่เขาพอเขาจะรวมเข้าอัปปนาเองคุยคุยอยู่กับคนก็รวมได้นอนกระดิกเท้าเล่นเล่นอยู่ก็รวมได้มันทำได้ทุกอย่างนั่งกอดเข่าอยู่ก็รวมได้ทำไงก็รวมได้ไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหรอกทําได้ทุกอิริยาบถบางคนรวมลงไปตอนเดินจงกรมมีบางองค์ท่านก็เดินจงกรมบรรลุธรรมบางองค์ก็นั่งบางองค์ก็นอนบางองค์ก็ยืนเอาแน่ไม่ได้มีบางองค์ก็เอ็นเอ็น เอาแน่ไม่ได้อะไรก็ได้บางคนก็ลงไปยืนในหลุมยังไรก็ได้อยู่ที่ทำแล้วมันพอตรงไหนมันก็ตัดตรงนั้นเหมือนเด็กในท้องมันสมควรจะคลอดตรงไหนมันก็คลอดตรงนั้นแหละกลั้นไว้ไม่ได้หรอกหน้าที่ของเราทำเหตุไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันพอมันก็ตัดของมันเองพอตัดแล้วจิตจะถอยออกมากลับมาสู่กามาวาจะระภูมิใหม่คราวนี้จิตจะเริ่มทบทวนแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น จิตมันจะย้อนไปพิจารณาเองมันจะรู้เลยว่ากิเลสอะไรที่ละไปแล้วกิเลสอะไรที่ยังเหลืออยู่พวกเราเวลาที่ภาวนาแล้ววุบๆบวับวัวันไหวเวรงวางอะไรขึ้นมาแล้วนึกว่าบรรลุนะ่ะสังเกตกิเลสไว้บางคนบอกกิเลสหายไปเลยตั้งปีหนึ่งแล้วไม่มีกิเลสเลยสังเกตให้ดีเถอะไปเพ่งไว้หรือเปล่าถ้าไปเพ่งไปจ้องแล้วบอกว่าไม่เห็นกิเลสหยาบๆเลยก็ใช่สิการไปเพ่งไปจ้อง มันนีไปจากกามาวาจรัภูมิแล้วไปอยู่ในรู ป, ปรภูมิอรู ป, ปรภูมิไปเพ่งให้ใจสงบใจก็ไม่วิ่งซ่านไปซ่านมากิเลสหยาบๆก็ไม่เกิดสิเพราะไปเป็นพระพรมซะแล้วในขณะนั้นพวกเราต้องระวังเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตนะกิเลสยังมีไหมกิเลสมีตัวไหนบ้างกิเลสของพระอริยบุคคลแต่ละชั้นแต่ละภูมิไม่เหมือนกันพระโสดาบันนี่ดูลงมาจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเหลืออยู่เลย แต่มันยังยึดกายยึดใจอยู่ประหลาดนะเห็นว่าไม่มีตัวเราแต่ยังยึดกายยึดใจอยู่กายกับใจนี่พระโสดาบันรู้อย่างดีเลยว่าเหมือนสมบัติที่ยืมโลกมาใช้แต่พระโสดาบันยังเป็นคนขี้งกยืมแล้วไม่คืนยืมเข้ามาใช้ก็จริงแต่มันยังดีอยู่ขอเอาไว้ใช้ก่อนเห็นไหมรู้ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่ยังเอาไว้ก่อนยังหวงอยู่จิตใจของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้น ใจิตใจของพระสะกัทาคาก็เป็นอย่างนั้นพอฝึกไปฝึกไปพอถึงพระอนาคามีจะเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยเห็นแล้วมันจะหมดความยึดถือในรูปรสกลิ่นเสียงโพธิัพะเพราะขนาดตายังไม่ยึดจะไปยึดรูปทาไมขนาดหูยังไม่ยึดจะไปยึดเสียงทาไมขนาดจมูกยังไม่ยึดจะยึดกลิ่นทาไมเห็นไหมขนาดร่างกายยังไม่ยึดจะไปยึดโพธิภพะคือสิ่งที่มาสัมผัสกายทาไม มันก็ไม่สิพอมันไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะที่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดกามก็ไม่มีความยินดีนร้ายที่เรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดปฏิฆะก็ไม่มีพระอนาคามีไม่มีกามและปฏิฆะเสร็จแล้วใจมันจะภาวนาหลังจากนั้นรวมลงที่จิตอันเดียวคราวนี้แหละถึงตอนลาบากนิดหนึ่งสาหรับคนที่ทาฌาน คนที่ไม่มีตัวรู้นะตรงนี้ดูไปดูไปไม่ยากอะไรคนที่มีตัวรู้แล้วจับตัวรู้เอาไว้ไม่ปล่อยจะผ่านไม่ได้ตัวนี้ขั้นที่สามนี่ถ้าจับตัวรู้ไว้ก็จะอยู่ขั้นที่สามตลอดชาติไปผ่านไม่ได้สมัยก่อนหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลท่านพูดเปลยเปลย อ, ออกมาบอกว่าผู้ปฏิบัติส่วนมากเป็นผีใหญ่ผีใหญ่ก็ยังจับเอาตัวผู้รู้ไว้ตายแล้วไปเป็นพระพรหมท่านเรียกว่าผีใหญ่ เห็นไหมท่านไม่เรียกแบบเทิดทูนเลยนะท่านเรียกพระพรหมว่าผีใหญ่แต่จริงๆคนโบราณเรียกเทวดาว่าผีนะเช่นผีฟ้าไม่ใช่ปอบผีฟ้านะผีฟ้าเฉยๆถือว่าเทวดาฉะนั้นภาวนาจนวันหนึ่งเห็นเลยว่าตัวจิตผู้รู้เป็นทุกข์แท้ๆก็วางวางไปก็ไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์กันตรงนี้แหละแตกหักลงตรงที่สามารถปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ได้นี่เอง นการภาวนาตั้งแต่เบื้องต้นนะหัดรู้สึกตัวขึ้นมามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นไปเรื่อยไม่ทำผิดทั้งสามการทำถูกถึงจะเรียกว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นถ้าก่อนรู้ยังเที่ยวแสวงหาไม่เรียกว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นระหว่างรู้ยังถลำไปจ้องไม่เรียกว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นพอรู้แล้วเที่ยวแก้ไขดัดแปลงบำรุงรักษาไม่เรียกว่าสักว่ารู้ว่าเห็น ต้องถูกในสามการถึงจะเป็นสักว่ารู้สักว่าเห็นที่แท้จริงใจตั้งมั่นเป็นกลางจนถึงวันหนึ่งปัญญาเกิดเป็นลำดับลำดับไปล้างกิเลสเป็นลำดับลำดับไป